สมาธิบำบัดในตัวของเราเนี่ยโดยธรรมชาติมันมีธาตุหกมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเป็นใหญ่กว่าธาตุทั้งปวงวิญญาณธาตุก็หมายถึงวิญญาณของเราเองนั่นแหละวิญญาณเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าจิตบางทีเราเรียกว่าวิญญาณด้วยปกติแล้ว จิตวิญญาณนี้มันจะวิ่งสายแสอยู่ในกายอยู่ในดินในน้ําในลมในไฟในอากาศแต่ถ้ามันวิ่งออกไปข้างนอกมันก็ไปไขว่คว้าหาอารมณ์ภายนอกมันยังไม่รวมจุดถ้าเราสามารถทําให้มันรวมจุดลงได้ในจุดใดจุดหนึ่งเช่นมันมารวมจุดอยู่ที่ลมหายใจหรือไปรวมจุดอยู่ในกายคืออาการ32จุดใดจุดหนึ่งเช่นผมขนเล็ ฟันหนังเป็นต้นอย่างแน่วแน่ถ้ามันไปหยุดอยู่ที่ตรงนั้นอย่างแน่วแน่มั่นคงไม่วันไหวมันสามารถที่จะดึงดูดพลังรอบข้างเข้ามารวมจุดนั้นซึ่งคนสมัยใหม่เขาเรียกว่าพลังจักรวาลตามธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี้ในดวงอาทิตย์ก็มีสนามแม่เหล็กในดวงจันทร์ก็มีสนามแม่เหล็กในดวงดาวก็มีสนามแม่เหล็ก ในตัวของเรานี้ก็มีธาตุเหล็กทีนี้สนาแม่เหล็กหรือธาตุเหล็กก็ดีมันมีความสัมพันธ์กันด้วยกระแสไฟฟ้าเมื่อเรารวมจิตให้ไปแน่วแน่อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งพลังมันจะมารวมอยู่ที่ตรงนั้นพลังตัวนั้นก็คือกระแสไฟฟ้านั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถที่จะน้อมเอาพลังมารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เราสามารถน้อมเอาพลังอันนั้นไปสนับสนุนธุรกิจการงานที่เรารับผิดชอบอยู่ได้อันนี้คือจุดกําเนิดของพลังนักเผยพร ะ, ะสมัยใหม่เขาเรียกว่าพลังจักรวาลคำว่าพลังนี่คนโบราณเราใช้กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเช่นอย่างพลังวิชาอาคมแล้วก็พลังของสมาธิหรือพลังจิต จิตของคนเราถ้าหากว่ามันไปยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมั่นคงมันก็จะเกิดพลังงานขึ้นมาอย่างที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถทำจิตให้หยุดนิ่งในจุดใดจุดหนึ่งได้ในช่วงนั้นเราสามารถที่จะน้อมพลังของจิตไปใช้ประโยชน์ได้นานับปการแล้วแต่ความฉลาดของท่านผู้ใดจะน้อมนาเอาไปใช้ได้อันนี้คือวิธีการสร้างพลังจิตเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ มันเป็นสายตรงซึ่งเป็นแนวทางที่ให้เราอบรมจิตของเราให้เป็นใหญ่ให้เป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใด